มันกันตั้งใจตั้งใจให้มันดีนี่เนี่ยงานอันนี้มันยิ่งไปกว่างานฝึกผนจิตใจใไม่มีะว่าใจนี่มันถูกกิเลสขอกงำอยู่ถ้าอพากันนิ้งนอนใจ กิเลสนี่เมื่อเผอสติเมื่อใดมันก็ครอบงมจิตเมื่อนั้นทำให้จิตเศร้ามองคุณมัวทำให้จิตเกิดอกุศลวิตกต่างๆน า, นานาขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเศร้ามองคุณมัวเฉยๆมันยังคิดบาปถึงบาปถึงกรรม ความชั่วร้ายต่างๆความโลภความโกรธความหลงโมนีมันเกิดขึ้นเพราะจิตเศร้าหมองนี่แหละเป็นเหตุดังนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึก้นจิตอันนี้เราจะไปสอนอย่างอื่นไปฝึกอย่างอื่น มันก็ได้ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ดีเท่าการฝึกวนจิตนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในโลกสันิวาตอันนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็เป็นแต่สภาวะธาตุ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 สร้างอะไรต่ออะไรขึ้นจนเป็นที่อยู่อาศัยได้ดีมูนี่มันก็เพราะมีจิตตรงนี้แหละได้มาอาศัยดูในร่างกายอันนี้เมื่อจิตดรงนี้ได้มาอาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่แล้วมันจึง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 ถ้าบุคคลสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนปรารธนาขอให้มีฤทธิ์มีเดชขอให้มีปรีชาญาณอย่างรู้เรื่องอดีตอนาคตขอให้ระลึกชาติหนหลังได้โมนีนะมันเมื่อตั้งปรารธนาลงแล้วก็ํำเพ็ญบุญกุศลไปโดยความไม่ประมาท เมื่อบุญกุศลมันเข้าขั้นที่จะให้บรรลุคุณพิเศษตามความมุ่งหมายของ จ, จิตใจอย่างนั้นแล้วมันก็บรรลุได้มันก็เป็นไปได้แต่บางท่านบางคนก็ไม่ได้ปรารถนามาปรารถนาขอจะให้กิเลสหมดไปสิ้นไปจา ก, ก จ, จิตใจ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 ผู้ที่มั่งมุ่งหวังคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นต้องเผิกขัดเ่งกสินชาญให้เกิดขึ้นบำเพ็ญไปจนในบนรรูปรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ท่านเรียกว่าสมาบัตรแปดเมื่อได้บรรลุฌานสมาบัตรแปดนั้นแล้ว จึงเจริญบิปัาสนาต่อไปอากว่าได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีคุณพิเศษดังกล่าวมานั่ น, เ, นเกิดขึ้นได้แก่ผู้นั่นนี่การบาเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่มันสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่ใช่อยู่ของเก่า สูงขึ้นไปจนถึงกับว่าได้ทำอาสวะกิเลส้นยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปนี่และขอให้เข้าใจดังนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยจึงไม่ควรที่จะหยุดย่างเท่านี้พอแล้วอย่างนี้ไม่ควรคนเด็กเข้าใจว่า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 ถ้าไม่ทะเลาะกันว่วากกเอาเรื่องฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลให้ศาลตัดสินลงโทษเขาได้อย่างนี้นะเราไม่เอาไม่จองกรรมจองเวียนกันเอาละเขาล่วงเกินเราบ้างเราก็ให้อภัยไปเลยนี่เรียกว่าอภัยทานเป็นทานที่ อย่างสูงผู้ใดมีทานอย่างนี้อยู่ในใจแลว้วก็ไม่ค่อยจะมีกรรมมีเวรตามสนองอนั่นเราคิดด้วยเพราะนั้นเป็นนักบวชก็ต้องบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละมากกว่าวัตถุทานอ๋อเป็นนักบวชไม่มีวัดถูกเข้าของเงินทองอะไรจะมาให้ทาน แล้วก็หัดฝึกขัดจิตใจให้รู้จักให้อภัยต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ถือโกรธ ถ, ถือเกลียดซึ่งกันและกัน อ, อย่างนี้อันนี้แหละการฝึกขนจิตใจใจนะ่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ฝึกแล้ว กิเลสเหล่านี้มันจะไม่เบาบางไปจา ก, กจิตใจเลยให้พากันคิดถ้ามันเห็นเมื่อเราฝึกไปอยู่เนี่ยไม่ท้อไม่ถอยสติสัมปชัญญะอันนี้มันก็แกลกล้าขึ้นมันสามารถควบคุมจิตนี้ได้จิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่มีความหมายอะไรเลย ไอคนที่เป็นว่เป็นบ้าอยู่นั่นนะ่ะล้วนแต่มันไม่สติความระลึกถึงตัวไม่มีระลึกถึงกายถึงจิตนี่นะสมบัติชัญญะความรู้กายรู้จิตอันนี้ก็ไม่มีมีแต่มันสติมันระลึกออกไปข้างนอกนู่นนะโดยส่วนเดียวลืมตัววะนี่ตัวทําอะไรพวกอะไรไม่รู้เลยนี่แหละคนบ้านนะ่ะให้คิดดูจึงเป็นอย่างนั้น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 การที่มันทำชั่วอย่างนี้ก็เพราะมันระลึกถึงตัวไม่ได้มันไม่ได้มามีนิชัยว่าการกระทำเช่นนั้นน่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเวจริงหรือที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ไม่ได้น้อมไม่ได้ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาคิดมาพิจารณาให้เห็นแจ้งโดยปัญญาของตนเองดังนั้นมันจึง งดเว้นไม่ได้มันจึงได้ทมปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละนี่สตินะสำคัญนะขอให้เข้าใจเมื่อระลึกได้อย่างนี้ว่าโอ้การที่เราไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าหาว่าคนอื่นเขามาตีเรามาฆ่าเรา เราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไหมอย่างนี้นะก็ต้องเดือดร้อนแน่ใครใครก็รักชีวิตก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาทำลายอยากจะให้มันตายไปเองอเมื่อนึกได้เทียบเขาเทียบเราอย่างนี้แล้วก็มันก็เกิดเมตตากรุณาขึ้นมันก็ไม่ต้องการเบียดเบียน มันก็งดได้ hmm. นี่เรียว่าเป็นผู้มานึกถึงตัวได้มีสติต้องประเ็นยะแม่สินข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้นเลยการที่บุคคลล่วงละเมิดในสีลห้าประการนี้นะ hmm. เรียนั้น แต่ว่าแต่ว่าเป็นบ้าอีกประเภทหนึ่งก็ได้อันนี้นะเรียกว่าบ้ากิเลสตัณหาปล่อยให้กิเลสตัณหามันจูงไปในทําบาปทําชั่วอคนเรานะ่ะมันมีบ้าอยู่หลายประเภทเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นบ้าตั้งแต่คนบ้าที่เสียจริตอแล้วทําอะไรก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้อาศัยเที่ยวแต่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 โทษของการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเฮโรอินหมูนี่แหละมันโดนบันดาลมาให้ผลเกิดเป็นวบเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไปแต่เพื่อว่าบ้าประเภทสองอันนี้นี่มันเกิดจากความโลภโกรธหลงในหัวใจของแต่ละคนนี่แหละมนโดนบันดาลให้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 มันก็เว้นได้เลยอมันก็เรียกว่าหายจากบ้าเรื่องเรื่องกิเลสเหล่านั้นแหละก็ไม่ทําบาปกรรมเวรใส่ตัวเองต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้ลักษณะอาการของจิตใจนี่ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็ตกเป็น่าของกิเลสตันหาดังกล่าวมานั่นเอง ดังนั้นทุกคนได้พากันมีสติสมปชัญญาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันเอามาพิสูจนมาพิจารณาตัวเองเนี่ยที่ท่านสอนในภาวนานก็คือทวนกระแสจิตไม่คิดถงไปข้างนอกอาทวทวนความคิดความนึกเข้ามาอยู่ภายในให้จิตมันสงบอยู่ภายใน ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็วิจิตรใชตัวเองได้แหละคนเรานะอตนจิตใจนั่นมันยังมีกิเลสหรือบาปธรรมอะไรแขงอยู่แนละ้วมันก็รู้อย่างนี้นะโอ้มันมีความโลภอยากได้อันนั้นอันนี้อยู่ในใจมีอยู่รู้มันมันไม่โลภอย่างนั้นก็รู้อื มันมีความโกรธแปงอยู่มันโกรธให้คนคนนั้นคนนี้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้ก็รู้ถ้ามันไม่มีมันไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครก็รู้อย่างนี้แหละถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนะอืมไอ้จิตหลงแบบนี้เมื่อตนหลงอยู่อย่างไรก็รู้ ตนยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมของจริงอย่างไรก็รู้ตนรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้ขาะไหนก็รู้นี่แหละเช่นอย่างว่าตนเห็นทุกข์เห็นภายในสงสารไหมอย่างนี้นะเห็นว่าความเคยแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์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 ถ้าผู้ที่ทำใจสงบลงไปได้แล้วแน่นอนนะมันเห็นทุกข์จริงๆเพราะว่ามันมาสัมผัสไอ้ความทุกข์ความแปลปวนทั้งหลายมันสัมผัสกับจิตนี่ทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้นะกายไม่ปกติปวนปันน่นไหวมันกระทบกับจิต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 ไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นนาตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอะไรมันเป็นแต่เพียงสารพวัฏฏสี่ดินนะ้ำไฟลมซึ่งบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทามาแต่ก่อนนั่นแหละมันนำจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาในธาตุของมารดาบิดาแล้วบุญกุศลนันก็มาตกแต่งธาตุอันนั้นให้เกิด มีอวัยวะน้อยใหญ่เช่นมีผมขนเล็บฟันหนังมีมือมีเท้าอาวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆนี่อาศัยบุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนมาตกแต่งให้เมื่อบุญกรรมนั้นมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนาบุญกรร ม, มเมื่อมาตกแต่งแล้วมันก็ติดตามรักษาไป เมื่อรักษาไปมันก็หมดไปมันก็เสื่อมไปเลยอืมถ้าหากว่าบุญนี้มันไม่หมดไม่เสื่อมร่างกายนี่มันก็ไม่วิบัติแปรปูวนมันก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นให้เข้าใจทั้งเหตุปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายอันนี้อย่างนี้เมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา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 เป็นทุกข์ก็สวยทุกขไปอยู่นั่นแหละอืมเป็นสุขก็สวยสุขไปตามแต่ธรรมชาติมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรอ่ามันเป็นทุกข์ดิ้นรนไปตามทุกข์อย่างนั้นแหละอันมันจะมีความคิดความวิจารณ์ในใจให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่คิด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 อย่างนั้นถ้าไปได้เกิดอาศัยรูปกายอย่างละเอียดเช่นกายของเท ว, เทวดาอินพรหมอย่างนี้นี่มันก็มีทุกขน้อยลงมีสุขมากอย่างนี้อันที่เทวดาเป็นทุกข์นั่นเพราะเมื่อสวยผลบุญกรรมที่ตนสร้างไปแต่เป็นมนุษย์แล้ว นานไปนานไปบุญกุศลนั่นมันก็ล้อยหลอลงเช่นเดียวกับมนุษย์นี่แหละแต่ว่ามันทา้งนานกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าอันบุญกุศลที่มันอํานวยผลให้เกิดให้เป็นสุขสบายอยู่ในสวรรค์นั่นนะ่ะมันทั้งได้สวยสุขอยู่นานเมื่อนานไปแล้ววันน้บุญกุศลนั้นมันก็หมดลงหมดต้องไอวิมาน เป็นที่อยู่ที่อาศัยก็เศร้าหมองไปเครื่องประดับดอกไม้ทิพอะไรประดับประดาอยู่ในปราสาทนั้นก็เศร้าหมองลงอ่ผิวพรรณวันณนะของตัวเองก็ทูุดซีดลงไปนั่นเป็นเครื่องสอดแสดงบอกถึงว่าบุญกุศลที่มันมาอุปถัมภามลง ชีวิตยอยูนี่มันใกล้จะหมดอยู่แล้วเทวดาก็เสียใจอะไรความสุขที่ตนได้รับมาแล้วตนก็จะได้พัดภ่าจากสถานที่มีความสุขความสําราญอย่างนี้ไปนั่นเทวดาเป็นทุกข์ทุกเมื่อเวลาทังแขนร่างกายมันจะแตกกะดับไปเมื่อเวลา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 ขณะใดาที่บุญอำนวยผลรักษาไปขณะนั้นก็รูส้สึกว่ามีความสุขสบายร่างกายก็เป็นปกติไม่วิบัติส่วนไหนอันเทอเมื่อบาปที่ทํามาแต่ก่อนนะั้นมันตามมาให้ผลแล้วก็เอาและททำให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งวิบัติลงไปเมื่อก็เหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่แหละ เมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งวิบัติลงไปแล้วมันก็ทำให้เครื่องอื่นๆนั้นมิบัตรไปตามกันขัดข้องไปตามกันนี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละร่างกายที่เป็นที่อยู่ของดวงจิตนี่เมื่อบาปมันมาให้ผลที่นีก็เอาแล้ววิบัติแปลโพนไป จิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่นี่แหละร่างกายของมนุษย์นี่เนี่ยผู้มีปัญญาทางหลายมีพระพุทธเจ้ า, าเป็นต้นนะพระองค์จึงได้ทรงฝึกวนจิตใจนให้สงบระ ง, งับตั้งลงไปเมื่อใจตั้งมั่นได้ดีแล้วก็จึงเกิดปัญญาที่จรณาเห็นความทุกข์ของร่างกาย ต่างๆมูนี่จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายตัณหาอันเป็นเหตุได้เกิดทุกนั้นออกไปนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมานะตัณหาเลยเป็นตัวเหตุให้มาเกิดเป็นอาศัยรูปอาศัยนามอันนี้อยู่นี่นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเป็นมาเกิดมาด้วยอย่างอื่น ปัญหานั่นเมื่อมันเกิดความทยานอยากอยู่มันละความอยากในหัวใจไม่ได้มันก็ใช้กายทําใช้กายพูดสเสวงหาสิ่งที่ตนอยากอย่างเช่นในะคนเกิดมาในปัจจุบันนี้แหละเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมากอดรักสวยรักงามเอา้าแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัติอันที่น่าพอใจยินดีต่างๆ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 อย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยพอจะได้เป็นบุญเป็นกุศลจะไม่มีกรรมทั่วติดตัวไปแต่บุคคลผู้มีความประมาทแล้วปล่ อ, อยให้ความโลภโลกรธหลงครอบงำจิตใจแล้วบับนี้มันก็ใช้กายทำบาปบ้างทำบุญบ้างสลับกันไปแต่วบบนี้มันเป็นอย่างน้น เพราะฉะนั้นเมื่อท่องเที่ยวไปในสงสารมันถึงได้ประสบทั้งความสุขรั้งความทุกข์แต่ที่จริงแล้วมันก็ประสบความทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขดังเราจะเห็นได้เวลาจวนจะตายความสุขหายไปหมดเลยมีแต่ความทุกข์อยู่ในกาในจิตนี้นี่ลองคิดดูให้ดีาติความเกิดเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะ่ะ ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เมื่อเวลาจะตายก็เสียดายอะไรถิ่นฐานบ้านช่องที่เคยอยู่อะไรลูกหลานญาติพี่น้องที่เคยร่วมทุกข์ร่วมทุกข์กันมาอย่างนี้นะจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนแล้วมันก็อะไรใจคล่องอยู่กับจริงหมูนี้แหละอดังนั้นเมื่อตายลงแล้วก็จิตวิญญาณไปไหนไม่ได้แล้ว ก็ว่เพียนอยู่นี่เอาไปเอามาก็ไปเข้าท่องลูกท้องหลาน้าไปก็ไปเกิดกับลูกกับหลานเอาเกิดมาแล้วขาที่ตนไม่มีบุญนี่ตนไม่มีบุญก็ไม่มีเงินไม่มีทองพ่อแม่พี่น้องก็ทุกจนอย่างนี้นะไอ้ตู้เป็นลูกนี่กับบุญน้อยพ่อแม่กับบุญน้อย ก็ต่างคนถ้าเขาเป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนอยู่ในชีวิตนี้นะจนกลัวจะตายลงนี่ชีวิตจิตใจที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมไม่ได้ยกขิตตัวเองให้สูงขึ้นไปสู่บุญกุศลชั้นสูงดังกล่าวมานั่นนะก็ชีวิตมิได้ตกต่ำเลื่อยไปแหละขอให้คิดให้ดี มีรดทตกรรมเรื่อยไปอย่าไปเข้าใจว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะถ้าบุคคลใดไม่ยกจิตใจของตนให้สูงอยู่ด้วยคุณอยู่ด้วยบุญกุศลดังกล่าวมานั่นน่ะมีแต่ตายจากมนุษย์ก็กลับไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่จิตตกต่ําำจิตหมุนไปทางอากุศลนี่เป็นอย่างนั้น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 ก็ได้ชื่อว่าเป็นการบาเพ็ญบุญกุศลให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าผู้ใดเกียดครั้นรักษาศีลไว้พระภาวนาแล้วก็เป็นอันว่าชีวิตของผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหากลังเกตแต่จะนำทุกข์มาให้ผลเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสาร ทนทุกข์ทรมานดังกล่าวมานั้น